นางนกสาลิกาได้ฟังคําของสุวะโปดกเป็นเหมือนหัวจะแตกเป็นเหมือนถูกกามรถที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยการเห็นสุวะโปดกนั้นตามเผาผลาญอยู่ทมทีเป็นไม่ปรารถนาด้วยมายาสตรีของตนได้กล่าวหนึ่งคาถาครึ่งว่าแน่มาทุระสุวะบัณฑิตสิริย่อมไม่มีแก่ผู้ดวนได้ขอเชิญท่านอยู่ณที่นี้จนกว่าจะได้เห็นพระราชา จนได้ฟังเสียงตะโพนและได้เห็นอนุภาพของพระราชาบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสิริย่อมไม่มีณนะสิรีความว่าแนะสหายสุวบันดิตสิริย่อมไม่มีแก่ผู้ดวนได้งานที่ผู้ดวนได้กระทำย่อมไม่งามขึ้นชื่อว่าการครองเรือนนั้นหนักยิ่งต้องคิดพิจารณาก่อนจึงทา ขอเชิญท่านอยู่ในที่นี้จนกว่าจะได้เห็นพระราชาของพวกเราผู้ประกอบด้วยยศใหญ่คำว่าได้ฟังโสสิความว่าท่านจากได้ฟังเสียงตะโพนเสียงขับร้องและเสียงประโคมดนตรีอื่นๆที่เหล่านารีผู้มีรูปโฉมอุดมมีลีลาเสมอด้วยกิ น, นารีบรนเลงอยู่ในเวลาสาหยัน และจักได้เห็นอนุภาพและสิริโสภาคอันยิ่งใหญ่ของพระราชาท่านจะดวนไปทำไมเล่าสหายแม้ข้ออ้างท่านก็ยังไม่รู้อยู่ก่อนเถิดหลังจากให้รู้จักภายหลังลำดับนั้นนกทั้งสองก็กระทำเมถุนสังวาสในสายันหะสมัยนั่นเองมีความสามคัคคีบันเทิงอยู่ร่วมเป็นที่รักกันครานั้นสุวะโปโดกคิดว่า บัดนี้นางนกสาลิกาจักไม่ซ่อนความลับแก่เราควรที่เราจักถามนางแล้วไปในทํานองนี้จึงกล่าวว่าแน่ ä, สาลิกาอะไรหรือนายฉันอยากจะถามอะไรเจ้าสักหน่อยถามเถิดนายเรื่องนั้นงดไว้ก่อนวันนี้เป็นวันมงคลของเราไว้วันอื่นฉันจักรู้นางนกสาลิกากล่าวว่า ถ้าคําที่ถามประกอบด้วยมงคลก็จงถามถ้ามิใช่ก็อย่าเพิ่งถามสุวะบัณฑิตตอบว่าคาถานั้นเป็นมงคลแล ะ, ะถาที่รักถ้าเช่นนั้นก็จงถามเถิดลําดับนั้นสุวะบัณฑิตกล่าวว่าถ้าเธออยากฟังเรื่องนั้นฉันก็จะกล่าวแก่เธอเมื่อจะถามความลับนั้นจึงกล่าวหนึ่งคาถากึ่งว่า เสียงเซงแซ่นี้ฉันได้ยินภายนอกชนบทว่าพระราชธิดาของพระเจ้าปัญจา ร, ราชมีพระชวีวันดั้งดาวประกายพฤึ่พระเจ้ากรุงปัญจา ร, ราชจักถวายพระราชธิดานั้นแก่ชาววิเทหราชคือจักมีการอภิเสกสมรสระหว่างพระเจ้า ว, วิเทหราชกับพระราชธิดานั้นเนื้อความของคาถานั้นมีว่าเสียงเซงแซ่นี้มาก คำว่าฉันได้ยินภายนอกชนบทติโรชนะประเทสุโตความว่าปรากฏคือรู้กันทั่วคือแพ่ไปในรัฐอื่นในชนบทอื่นแพ่ไปอย่างไรคือพระราชธิดาของพระเจ้าปัญจลราชรุ่งเรืองราวกับดาวประกายพลึกมีพระชวีวันเสมอด้วยดาวประกายพฤึกนั้นมีอยู่ พระเจ้าปัญจลราชจากประธานพระราชธิดา น, นั้นแก่ชาววิเทหรัชข้อว่าจากมีการอภิเศกสมรสโสวิวาโหพาวิสติความว่าฉันได้ฟังเสียงที่แผ่ไปอย่างนี้นั้นจึงคิดว่าปุมาลิกานี้ทรงพระรูปโฉมอุดมและพระเจ้า ว, วิเทหราชก็เป็นข้าศึกของพระเจ้าจุลนี พระราชาอื่นๆที่อยู่ในอำนาจของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตก็มีอยู่เป็นอันมากพระเจ้าจุลนีไม่ประทานแก่พระราชาเหล่านั้นเหตุไรจึงประทานพระราชธิดาแก่พระเจ้าวิเทหราชเสียนางนกสาลิกาได้ฟังคำของสุวะบัณฑิตนั้นแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่านายเพราะเหตุไรท่านจึงกล่าวอาวมงคลในวันมงคล สุวะโปดกจึงย้อนถามว่าฉันกล่าวว่ามงคลเธอกล่าวว่าอาวะมงคลนี่อะไรกันนายการทํามงคลเห็นป่านี้จงอย่าได้มีแก่ชนเหล่านั้นแม้เป็นอมิตรสุวะโปรดกให้นางนกสาริกาแจ้งเรื่องนางว่าไม่กล้าพูดสุวะโปดกจึงว่าที่รักจําเดินแต่การที่เธอบอกความลับที่เธอรู้แก่ฉันไม่ได้ การร่วมอภิรมกันฉันสามีภรรยาก็ชื่อว่าไม่มีนางนกสาลิกาถูกสุวะโปดกแค้นใครนักก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังแล้วกล่าวว่าแน่มาธุระจงอย่ามีการวิวาแห่งเหล่าอมิตรอันเช่นนี้เหมือนกับการวิวาที่จะมีแก่พระราชธิดาของพระเจ้าปัญจา ร, ราชกับพระเจ้าวิเทหราชเลย พรันางนกสาลิกากล่าวคาถานี้แล้วสุวะโปดกสักถามอีกว่าเพราะเหตุไรเธอกล่าวถ้อยคำเห็นปานนี้จึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังฉันจะกล่าวโทษในเรื่องนี้แก่ท่านอีกแล้วกล่าวคาถานอกนี้ว่าพระราชาผู้เป็นจอมทัพแห่งชาวปัญจาละจากทรงนําพระเจ้าวิเทหราชมาแล้ว แต่นั้นก็จะฆ่าพระเจ้าวิเทหราชเสียเพราะพระเจ้าจุลนีมิใช่สหายของพระเจ้าวิเทหราชบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าแต่นั้นก็จะฆ่าพระเจ้าวิเทหราชตะโตนางคาตะยิสติความว่าพระเจ้าวิเทหราชจากเสด็จมาพระนครนี้ในการใดพระเจ้าจุลนีจากไม่ทรงทําความเป็นสหาย มิทธธรรมด้วยพระเจ้าวิเทหราชในการนั้นจกไม่ประทานพระราชธิดาแก่พระเจ้าวิเทหราชนั้นแม้เพื่อทอดพระเนตรได้ยินว่าพระเจ้าวิเทหราชนั้นมีอัตถามนุษย์อยู่คนหนึ่งชื่อมโหสถบัณฑิตพระเจ้าจุลณีจกฆ่ามโหสถนั้นพร้อมกับพระเจ้าวิเทหราชรามเกวัตตปรึกษากับพระเจ้าจุลนีว่า เราจับฆ่าคนทั้งสองนั้นเสียแล้วดื่มชัยยาบาลจึงไปกรุงมิธิลาเพื่อจับมโหสดนั้นมานางนกสาลิกาบอกแผนการแกสุวะบัณฑิตโดยไม่เหลือด้วยประการชนีสุวะบัณฑิตได้ฟังดังนั้นแล้วจึงกล่าวชมเกวัตตะว่าอาจารย์เกวัตตะเป็นคนฉลาดในอุบายการฆ่าพระเจ้าวิเทหราชเสียด้วยอุบายเห็นปานนี้น่าอัศจรรย์ แล้วกล่าวว่าประโยชน์อะไรด้วยอวะมงคลเห็นปานนี้แก่เรานิ่งเสียนอนกันเถิดรู้ความสำเร็จแห่งกิจที่มาอยู่กับนางนกสาลิกานั้นในราตรีนั้นแล้วกล่าววา่าที่รักฉันจกไปเควนศรีวีทูลความที่ฉันได้ภรรยาที่ชอบใจแด่พระเจ้าศรีวีและพระเทวีแล้วกล่าวเพื่อให้นางนกสาลิกาอนุญาตให้ตนไปว่า เอาเถิดเธอจงอนุญาตให้ฉันไปสักเจ็ดราตรีเพียงให้ฉันได้กราบทูลพระเจ้าสีวิราชและพระมเหสีว่าฉันได้อยู่ในสำนักของนางนกสาลิกาแล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามเหสีมเหสีโนได้แก่พระมเหสีของพระเจ้าสีวิราชนั้นคำว่าอยู่อาวสถตได้แก่ สถานที่อยู่คำว่าสานักอุปันติกังความว่าครั้งนั้นสุวป โ, โดกกล่าวว่าฉันจะบอกพระราชาและพระเทวีทั้งสองนั้นว่าเชิญเสด็จไปสํานักของนางนกสาลิกานั้นดังนี้ในวันที่แปดจักนำมาที่นี้จักพาเธอไปด้วยบริวารใหญ่เธออย่าได้กระวนกระวายจนกว่าฉันจะมา นางนกสาลิกาได้ฟังดังนั้นไม่ปรารถนาจะแยกกับสุวะโปดกเลยแต่ไม่อาจจะปฏิเสธคำของเขาได้จึงกล่าวคาถาเป็นลำดับว่าเอาเถิดฉันอนุญาตให้ท่านไปประมาณเจ็ดราตรีถ้าท่านไม่กลับมายังสำนักของฉันโดยเจ็ดราตรีฉันจะสำคัญตัวฉันว่าอย่างลงแล้วสงบแล้วท่านจากมาในเมื่อฉันตายแล้ว บรรดาคาเหล่านั้นคำว่าฉันจะสําคัญตัวฉันว่าอย่างลงแล้วะงบแล้วมันเยโอกันตะสันตมังความว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นฉันจะกำหนดตัวฉันว่าปราศจากชีวิตแล้วเมื่อท่านไม่มาในวันที่แปดจากมาเมื่อฉันตายแล้วเพราะฉะนั้นท่านอย่ามัวชักช้าปายสุวบัณฑิตกล่าวด้วยวาจาว่าที่รัก เธอพูดอะไรแม้ฉันไม่เห็นเธอในวันที่8จากมีชีวิตอยู่ที่ไหนได้แต่ใจคิดว่าเจ้าจะเป็นหรือตายก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราบินขึ้นบ่ายหน้าไปศรีวีรัฐไปได้หน่อยหนึ่งยังกลับมาสํานักของนางนกสาริกานั้นอีกกล่าวว่าที่รักฉันไม่เห็นรูปสิริของเธอไม่อาจจะทิ้งเธอไปได้ ฉะนั้นฉนันจึงกลับมากล่าวฉะนั้นแล้วบินขึ้นอีกไปกรุงมิถิลาลงจับที่จะงอยบ่ามโหสถบัณฑิตพระมหาสัตว์อุ้มขึ้นไปบนปราศาสด้วยสัญญานั้นแล้วไต่ถามจึงแจ้งประพฤติเหตุนั้นทั้งหมดแก่มะโหสดปายมโหสถก็ได้ให้สิ่งตอบแทนความชอบแก่สุวะเปรดกนั้นโดยในหนหลังนั่นแล พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นแลนกมาทุระสุวะบัณฑิตได้บินไปแจ้งแก่มโหสถว่าคํานี้เป็นคําของนางนกสาลิกาบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าคํานี้เป็นคําของนางนกสาลิกาสาลิกายะวจนังอิทงังความว่า สุวะโปรดดกได้แจ้งข้อความทั้งปวงโดยพิสดารว่าคำนี้เป็นคำของนางนกสาลิกา